สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีกองเชียร์ด้วยน่าจะข้างหลังเลยก็เหมือนที่ขอบคุณพี่บีนะครับที่นำเราในการนมัสการพระเจ้าแล้วก็ได้บอกกับเราว่าได้เตือนย้ำกับเราว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเทศกาลคริสต์มาส ผมขออนุญาตนะครับผมไม่ค่อยถนัดเลยผมรู้สึกว่ามันบังกับการที่ผมจะเห็นพี่น้องนะครับผมขออนุญาตลุกทุ่งแบบนี้นิดนึงเมื่อพูดถึงคำว่าคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันมาคุ้นเคยนะครับจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษโบราณนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านถูกหรือเปล่านะครับเขาเขียนว่าคริสติสเมสาที่แปลว่าบูชา มิซาของพระคริสต์เจ้านะครับจริงๆมันพบในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี138นะครับจริงๆปีอะไรก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ผมก็เอาเกรดเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเราได้ฟังในปัจจุบันคำนี้ก็เปลี่ยนเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันคำว่าคริสต์มาสปฏิทินได้กำหนดวันที่25ธันวาคมถือว่าเป็นวันคริสตสมภพนะครับก็คือวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์ เราเรียกกันง่ายๆว่าวันคริสต์มาสก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องราวของคริสต์มาสกันอีกนิดหนึ่งดีไหมครับนะครับเดิมทีคริสต์มาสเนี่ยนะครับวันที่25่ธันวาที่เราใช้เป็นวันคริสต์มาสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันที่จักรพรรดิเอาเลเลียนแห่งโรมันกําหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพตั้งแต่ปีคศ274ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่าเป็นวันฉลอง พระจกักรพรรดิไปด้วยเพราะว่าคนโรมันสมัยนั้นเเชื่อว่าจากักรพรรดิก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างกับชีวิตมนุษย์แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจกักรวรรดิโรมันรวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปถึงนับถือศาสนาคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดสุริยเทพจึงหันมาฉลองวันเกิดพระเยซูแทนนะครับซึ่งพระเยซูก็เป็นเหมือนความสว่างของโลกนะครับหลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนา หลังจากนั้นมาวันที่25ธันวาคมก็จึงเป็นวันที่ชาวคริสต์เริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผยแต่ความเป็นจริงไม่มีใครทราบนะครับว่าวันไหนแน่ๆที่เป็นวันคริสต์มาสมีแต่เพียงประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าผู้ที่ชื่อเยซูได้เกิดในโลกนี้จริงและก็ยังได้บันทึกชีวิตการงานของชายผู้นี้เอาไว้รวมถึงอิทธิพลของคาสอนและการงาน แม้กระทั่งผู้บันทึกประวัติศาสตร์บางคนที่บันทึกเอาไว้นะครับจะไม่ได้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างพวกเราแต่พวกเขาก็ไม่ไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลชีวิตและการงานของพระองค์คำสอนที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ธรรมดากับทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกษัต ร, ริย์เป็นเจ้าเมืองเป็นนักการาศาสนารวมถึงคนชั้นกรมกรคนดีคนไม่ดีมีคาถามหลายคาถามว่าชายคนนี้เป็นใคร ถ้าเรามาทบทวนเรื่องพระเยซูผมเชื่อว่าเราได้ฟังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า n น t i v i t y ใช่ไหมครับเราได้ดูได้เห็นก็คือฉากคริสต์มาสซีนมีอะไรครับเห็นนักปราดเดินทางมาเห็นคนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระเยซูพระกุมาร น, นะครับเห็นโยเซฟนางมารีนะครับไปจดทะเบียนแต่ถ้าเราลองพูดถึงเรื่องนี้ แบบไทยๆแบบบ้านๆนะครับเราบอกว่าเรื่องราวของพระเยซูไม่ได้สวยงามราบรื่นนักมันไม่ได้ฟุ้งฟิงเหมือนไฟที่กาลังประดับอยู่ในพระวิหารอย่างตอนนี้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของความอับอายและก็เรื่องของความสับสนของวัยรุ่นสาวชาววิวคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็พบว่าตัวเองท้องทั้งๆที่ไม่เคยมีอะไรกับใครกับชายคนรักที่หัวใจสลายไม่รู้ว่า แฟนของตัวเองท้องโดยที่เขาก็ยังอดทนนะครับด้วยความรักและความดีความลำบากที่วุ่นวายในการเดินทางตามคำสั่งของทางการนะครับเข้ามาซ้าเติมชีวิตของชายหนุ่หญิงสาวคู่นี้ให้หนักหน่วงขึ้นการเดินทางที่ผมเชื่อว่าคงไม่ได้สะดวกสบายมากนักนะครับและแถมสุดท้ายแล้วไม่มีที่สุกหัวนอนยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่อยู่ในภาวะที่ เครียดลำบากนะครับไม่ได้อยู่ในรางย่าในไม่ไม่ได้อยู่ในภาพที่เราเห็นอย่างสวยงามในในในโบส ท, ที่เรามีแสดงละครอยู่แต่ภาพก็คือการเจ็บท้องและการคลอดนอกสถานพยาบาลพวกเราเคยเห็นไหมครับข่าวที่บอกว่าตำรวจจราจรทาคลอดนะครับเราเห็นข่าวเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีแต่จริงๆคนทำนี่ไม่ได้ตื่นเต้นไปด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ท้องไม่ว่าจะเป็นสามีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งต้องมาเป็นหมอตำแยจำเป็นไม่มีใครสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็นวินาทีแห่งความเป็นความตายลองนึกภาพว่ากำลังจะต้องคลอดใครสักคนที่เป็นคุณแม่หรือใครสักคนที่เป็นคุณพ่อนะครับลองนึกถึงว่าถ้าลูกเรากำลังจะต้องไปคลอดนะครับ ที่ปกติเราจะต้องอยู่ในห้องคลอดที่เต็มไปด้วยความสะอาดหมอจะทำคลอดต้องล้างมือแต่ชายคนนี้พระเยซูถูกทำคลอดในโรงนาในคอกสัตว์ที่ผมเชื่อว่ามันคงจะเหม็นน่ดูรูปภาพไม่อาจบรรยายกลิ่นได้แต่ผมเคยไปนะครับที่คอกหมูแถวนครปฐมโอ้โหอย่าให้บรรยายเลยครับแค่เปิดประตูรถผมก็อยากขึ้นรถแล้ว รพระเยซูของเราคลอดในคอกสัตว์แบบนั้นนะครับต้องลุ้นนะครับว่าคลอดแล้วจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะไม่มีหมอตำแยผมก็ไม่ทราบวาโยเซฟทำคลอดเองหรือว่ามีคนแถวนั้นมาช่วยนะครับคนกลุ่มแรกที่ไปเยี่ยมกลับไม่ใช่ญาติมิตรเป็นคนเลี้ยงแกะที่ไม่มีการศึกษาหากินอยู่ในทุ่งนะครับ เมื่อเช้าท่านเจียพิบาลได้มีโอกาสได้รูปของคนเลี้ยงแกะให้ดูนะครับว่าเป็นภาพที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นอยู่ในะละครเช่นกันมีกลุ่มนักปราชญ์ผู้มั่งคั่งก็จริงแต่มาจากดินแดนที่ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมกันที่คอกสัตว์เหม็นๆ น, น, นี่แหละครับและสุดท้ายแทนที่พอคลอดเสร็จแล้วจะได้กลับบ้าน ครับกลับต้องพาทารกแรกเกิดและหกระเหินหนีลีภัยไปอีกหลายปีนี่คือชีวิตเหตุการณ์ของวันคริสต์มาสเมื่อประมาณสองพันกว่าปีที่แล้วนะครับทั้งหมดคือคริสต์มาสที่พระเยซูมาเกิดและไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงเรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกบันทึกและจดจาและก็เล่าขานมาตลอดจนถึงทุกวันนี้คำถามที่น่าสนใจสำหรับวันนี้คือ แล้วพระองค์เป็นใครกันแน่นะครับก่อนที่เราจะมาดูกันว่าพระองค์เป็นใครเรามาอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดเราโมทนาและเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้มาบังเกิดในสภาพมนุษย์ทั้งๆที่พระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงที่บนกางเขนทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งหลายเป็นเหตุผลที่พระองค์มาบังเกิดเราขอบคุณพระองค์ แล้วขอพระเจ้าทรงนำที่พระวจนะของพระองค์จะบอกเราให้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นที่เราจะให้พระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราที่พระองค์จะไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เราได้ยินแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของเราขอเวลานี้จะอยู่ในการทรงนำของพระองค์อธิษฐานทูลขอการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเชื่อว่าทุกวันนี้ในหัวใจของคนเป็นจํานวนมากนะครับก็คงยังมีคําถามว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ พราคริสต์มาสเองก็ถูกถามหรือถูกเข้าใจผิดไปว่าเป็นวันเกิดของใครต่อใครนะครับมีโอกาสพูดเรื่องนี้แล้วผมขออนุญาตพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งคือบางครั้งบางคนก็จะบอกว่าแซนต์คลอสมาแย่งซีลของคริสต์มาสไปจากพระเยซูนะครับแต่ผมว่าแซนต์คลอสเองก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะักถ้าเราจะกลับไปนึกว่าแซนต์คลอสก็คือชายคนหนึ่งที่เขาพยายามทําความดีและมีความรัก แบบที่พระเยซูคริสต์สอนเพียงแต่ถ้าเราจะพูดถึงเซนต์คลร์ laus, เราอย่าให้เซนต์คลอ์เป็นพระเอกเซนต์คลร์ A ต้องเป็นพระรองเพราะเซนต์คลร์เรียนแบบพระเยซูเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เซนต์คลร์เป็นได้ก็คือเรียนแบบพระเยซูมานะครับนั้นอย่าเพิ่งผลักใสเขาออกไปจากที่ไหนแต่ฉวยโอกาสที่จะเล่าให้ใครๆต่อใครฟังว่าเซนต์คลร์คือคนที่เรียนแบบพระเยซูคริสต์นะครับทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ อย่างที่ผมบอกแล้วพระองค์เกิดในรังย่าของครอบครัวของคนธรรมดานะครับเป็นลูกช่างไม้มีชีวิตอยู่บนโลกแค่33ปี3าปีแรกแทบจะไม่มีคนรู้จักชีวิตของพระองค์เลยช่วงสามปีที่พระองค์ออกมาเปิดเผยต่อสังคมพระองค์ออกมาด้วยคาสอนด้วยชีวิตแล้วก็ด้วยาการประกอบศาสนกิจต่างๆมีทั้งคนติดตามพระองค์ มีทั้งคนต่อต้านมีทั้งคนใส่ร้ายแล้วก็คนที่ติดตามพระองค์ส่วนใหญ่เป็นแค่ชาวประมงระดับกรรมกรนะครับพระองค์ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงบนไม้กางเขนถึงถือว่าเป็นวิธีการลงโทษเป็นวิธีการประหารชีวิตที่น่าอับอายที่สุดที่ถือว่ า, เ, าเป็นการ ทำโทษแบบที่ร้ายแรงที่สุดนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วแถมคนที่ติดตามพระองค์เยอะแยะไปหมดนะครับถึงเวลานั้นทุกคนนะครับในสาวกสิบสองคนพระพีบันทึกว่าสาวกเหล่านั้นก็หนีกระจัดกระจายไปไม่เหลือสักคนบางทีเราจะบอกว่าเปโตรเปโตรทิ้งพระเยซูโทษครับที่เหลือก็ไม่ได้อยู่ด้วยะครับไปกันหมดนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของพระเยซูแต่ทําไมมหาอำนาจแห่งโรมันจึงยอมรับนับถือพระเยซูทําไมจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมยอมคุกเข่าให้พระเยซูผู้นี้และเพราะอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ในโลกนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกโลกเรามีคนประมาณเจดพันล้านคนประมาณสองถึงสามพันล้านคนเชื่อในพระเยซูนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ในโลกถือว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ เป็นเจ้าชีวิตของเขาเหตุผลสำคัญเพราะพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคํำพยากรของอิสยานะครับที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะครับเกิดขึ้นในสมัยก่อนที่พระเยซูจะเกิดนะครับอ่ก่อนพระเยซูประมาณ7 4 0้ิถึงปีนะครับพยากรไว้ง่ายๆว่าด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบาของเขา และเขาจะได้รับการขนานนามว่ามีอะไรบ้างครับที่ปรึกษามหาัศ จ, จั์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิพระบิดานิรันตองค์สันติราชจริงๆแล้วถ้าเราอ่านต่อในข้อ7นะครับเขาจะบอกว่าการปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุดพระองค์จะทรงครอบครองเหนือบาลังและอาณาจักรของดาวิด ทรงสถาปนาและพะัฒนดวงอณาจักรนั้นไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันยเยเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้นที่จะทำการนี้ให้สำเร็จเราพบว่าพระเยซูงองค์นี้ถูกขนานนามไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดนะครับผมอยากจะให้เรามีโอกาสพิจรารณา ในคำพยากรณ์ของอิสยาว่าพระองค์เป็นใครกันแน่อย่างแรกเลยนะครับถ้าเราดูตอนต้นเราจะพบว่าเขาบอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราถ้าเราไปพิจารณาในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งนะครับพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยได้ระบุชัดลงไปว่าพระเยซูเป็นผู้ใดผมขออนุ ญ, ญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับ พระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อถึงนะครับเล่าเรื่องราวในตอนนั้นบอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาบเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรสอ่าเมืองนี้เราคุ้นเคยชื่อนะครับมาถึงหญิงพรหมจรรีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจรรนั้นชื่อมารี ทูตสวรรค์เข้ามาถึงหญิงพมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเรินเถิดเพราะเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายว่ายอย่างไรทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอ๋ยอย่อยากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิด เธอจะตั้งครันและคลอดบุตรชายตรงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูอันนี้เราฟังให้ดีนะครับบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยเราจะเห็นว่าข้อที่หนึ่ง พระองค์จะเป็นบุตรของมารีแสดงให้เห็นอะไรครับแสดงว่าพระองค์มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะครับให้ขณะที่พระองค์จะทรงเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์จึงมีความเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันยิ่งไ่กว่านั้นถ้าเราดูเราจะพบว่าพระองค์จะทรงเป็นบุตรดาวิด <c oughs> พระองค์ดาวิดเป็นใครครับ วิเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นพระองค์คือผู้ที่สืบเชื้อสายของกษัตริย์และสุดท้ายพระองค์มีฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จึงเท่าเทียมกับพระบิดาทุกประการนี่คือคุณสมบัติสี่ประการที่เราเห็นจากการที่พระธรรมอิสยาได้ทํานายไว้ว่ามีบุตรชายคนหนึ่งประทานเพื่อเราพระธรรมลูกาบอกกับเราอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์มีคุณสมบัติทั้ง4ี่ประการนี้พระองค์เป็นทั้ง มนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นทั้งพระเจ้าโดยสมบูรณ์สืบเชื้อสายกษัตริย์และพระองค์มีฐานะเท่าเทียมกับพระบิดาทุกประการที่น่าสนใจก็คือพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้านี้เองที่เป็นของขวัญล้ำค่ามาให้กับพวกเราทุกๆคนปกติถ้าเราจะให้ของขวัญคริสต์มาสกับใครผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็คงจะมีการจัดลาดับนิดหน่อย ใช่ไหมครับในการที่เราจะให้ของขวัญถ้าเราจะให้ของขวัญกับคนสำคัญเราจะเลือกให้ของที่เป็นไงครับเป็นของที่มีมูลค่าเป็นของที่สำคัญเป็นของที่เราเฟ้นหาอย่างดีอยากให้เขาพอใจแต่ถ้าเราเป็นของต้องยอมรับนะครับในความเป็นจริงถ้าเป็นของมาอย่างที่เราเอามาแจกให้กับคนเป็นจานวนมากเราก็อาจจะมีมูลค่าน้อยลงหน่อยนะครับ แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเลือกหาอย่างดีเพื่อที่ให้ถูกใจกับผู้ที่รับนะครับแต่น่าแปลกที่ของขวัญของพระเจ้าที่มายัางมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ที่ไม่สมควรจะได้รับของที่มีค่าแต่พระเจ้าเลือกของขวัญที่มีค่าที่สุดของพระองค์คือใครครับคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์องนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ถูกส่งมาเป็นของขวัญให้กับเราทุกๆคนนะครับทุกวันนี้คริสต์มาสของแต่ละคนจึงอาจจะมีความหมายต่างๆกันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้คริสต์มาสของเรามีความหมายต่างกันตรงที่ว่าเราเองเข้าใจและรู้จักพระเยซูองคนี้ดีขนาดไหนนะครับ ผมเกริ่นมาทั้งนานผมก็จะเข้าเรื่องสักทีนะครับจะเข้ามาสู่เรื่องของพระลักษณะ4ประการของพระเยซูที่ปรากฏอยู่ในประธามตอนนี้ที่ปรึกษามหาสจรรั์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันต์องค์สันติราชนะครับลักษณะแรกพระลักษณะแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับเรียงมาเลยก็คือที่ปรึกษามหาสจรรั์ ในพระธรรมยอห์นถ้าเราเข้าไปเปิดในพระธรรมยอห์นเราจะพบว่าพระองค์ได้ให้คำปรึกษาแก่งานสมรสที่หมู่บ้านคานาจำได้ไหมครับนะครับน้ำกลายเป็นเล้าอางุ่นพระองค์ให้คำปรึกษาแก่นักศาสนาที่ชื่อนิโคเดมัสพระองค์ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตกับหญิงชาวสมาเรียที่ทำบาปล่วงประเวณีพระองค์ให้คาปรึกษากับชายที่เป็นอมพาสแล้วก็สิ้นหวังที่สันน้าเบสตา พระองค์ทรงให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงล่วงประเวณีที่ถูกจับในบริเวณพระวิหารและพระองค์ก็ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของราศรีที่หมู่บ้านเบธานีแล้วจริงๆถ้าเราไปดูในพระเจนะของพระเจ้าเราจะพบว่าพระองค์ให้คำปรึกษากับคนเป็นจำนวนมากพระองค์ให้คำปรึกษาในหลายรูปแบบในทุกๆอย่างพระองค์เป็นที่ปรึกษาได้เพราะพระองค์มีความรู้สติปัญญาอย่างไม่จํากัด ว จ, จะนะของพระเจ้าหลายตอนยืนยันเรื่องนี้ไว้ถ้าเราดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่16ข้อหนึ่งบอกว่าแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบจากลิ้นมาจากพระเจ้าประเด็นที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าผมต้องถามพวกเราเชื่อไหมครับว่าพระเยซูคริส เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เชื่อไหมครับเชื่อไหมครับผมเชื่อว่าพวกเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์แต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เรามีปัญหาส่วนใหญ่เราปรึกษาใครครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ปรึกษาเพื่อนนะครับบางคนที่มีพี่น้องปรึกษาพี่น้องบางคนมีเพื่อนเยอะๆปรึกษาเพื่อนหลายคนบางคน ปรึกษาญาตินะครับเริ่มมีน้อยคนที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ผมเองขออนุญาตยืนยันด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเราโตโตขึ้นไปเราจะรู้ว่าที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดสําหรับเราก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอนะครับผมอายุก็ป่านนี้แล้วนะครับยังไม่มากแต่ที่ปรึกษาที่สําคัญก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอนะครับแต่เวลาเรามี ปัญหาในชีวิตเราเคยปรึกษาพระองค์ไหมครับบางคนบอกว่าเราจะปรึกษาพระองค์เมื่อเราจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ข่าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะเลือกงานอะไรดีงานนี้เหมาะสมกับข้าพระองค์ไหมบางคนบอกว่าต้องคอขาดบาดตายถ้าป่วยแล้วก็บางคนป่วยหนักเป็นมะเรง็งจะรักษาด้วยวิธีไหนดีนะครับ แต่เราเคยปรึกษาพระเจ้าไหมครับว่าเราควรจะซื้อรถยนต์ดีไหมถ้าเราซื้อรถยนต์เราจะซื้อรถยี่ห้ออะไรวันนี้เราจะไปดูหนังกับเพื่อนดีไหมหรือวันนี้เลิก ง, งานแล้วเราจะไปไหนดีเราปรึกษาพระองค์ในเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆหรือเราปรึกษาพระองค์ในทุกๆเรื่อง ผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้ดูในในวิดีโอคลิปสั้นๆอันหนึง่งนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งเพราะว่าเปิดได้ไหมครับมันอาจจะไล่ไปตรงหน้าที่เป็นวิดีโอชื่อ Priority แต่ไม่ว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับ มีเว็บไซต์หนึ่งผมว่าหลายคนคงจะเคยเปิดเขาชื่อผมก็อ่านไม่แน่จะถูกหรือเปล่าดองแฮงดองเฮงใช่ไหมครับหลายคนคงเปิดอ่านเขาจะเป็นพวกการ์ตูนเคลื่อนไหวมีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากคือว่าเรื่อง p r i ORITY มันเป็นภาพของชายคนหนึ่งอยู่ในห้องทํางานบนโต๊ะทางานของเขามีเอกสารวางอยู่เต็มไปหมดเลยมีของวางล้อมรอบก็คงเป็นงานที่เขาต้องจัดการให้เรียบร้อยโต๊ะข้างๆก็ยังมีเอกสารกองใหญ่คือพูดง่ายล้อมรอบตัวเขาเนี่ยมีแต่เอกสารเต็มไปหมด ขณะที่เขาทํางานอยู่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้ยังไม่ได้อธิษฐานเลยจึงทํายังไงรู้ไหมครับจึงบอกพระเยซูว่าพระเยซูครับตอนนี้ผมกําลังยุ่งมากเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิษฐานก็แล้วกันเขาก็ทํางานต่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาลือดูกองเอกสารเดี๋ยวก็กลับมาดูนะครับแล้วก็หาอะไรบางอย่างนะครับหน้าเวียนหัวจริงๆแล้วแล้วเขาก็ดีนเสียงพระเยซูตัดว่า เธออยากฟังเรื่องราวของเราไหมนะครับอย่ันนั้นดูแล้วรู้สึกว่าเขาเองก็บอกว่าโทษพระเยซูครับนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาฟังอะไรตอนนี้ผมกําลังยุ่งมากเลยครับเอาไว้ผมเคลียร์งานพวกนี้เสร็จเมื่อไหร่ผมจะอ่านเรื่องของพระองค์จากพระคัมภีร์เองแล้วกันเงียบไม่มีเสียงตอบจากพระเยซูแต่กลายเป็นเสียงของทูตสวรรค์ตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ร้องเรียกพระเยซูมาจากว่าพระเยซูครับ กระลุนะหันมาดูเอกสารพวกนี้หน่อยได้ัหมครับแล้วก็มีทูตสวรรค์อีกอีกองหนึ่งเรียกไม่ถูกกำลังหอบเอกสารกองนึงไว้ในมือด้านหลังของทูตสวรรค์องแรกนะครับแล้วก็บอกว่ามีเอกสารกองใหญ่ที่ให้พี่รอให้พี่เยซูสั่งการแต่ทูตสวรรค์อีกองหนึ่งก็ไปกระซิบกับทูตสวรรค์องนั้นบอกว่าคุณต้องรอนะเพราะว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของพระองค์คือการใช้เวลา กับชายหนุ่มคนนี้น่าเสียดายที่คําสนทนานี้ไม่ได้ไปถึงหูผู้ชายคนนั้น mm. เขายังง่วนอยู่กับการทํางานต่อไปแล้วก็ปล่อยให้พระเยซู ร, รอคอยอยู่อย่างนั้นเอง mm. บางท mm. ีเมื่อมีปัญหาเราวุ่นวายกับปัญหาเหล่านั้นวุ่นวายกับความพยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นจนเราลืมที่จะใช้เวลากับที่ปรึกษามอัศจรรย์ของเราหรือเปล่าครับ บางทีเราสารวนอยู่กับการที่พยายามแก้ปัญหาหลายครั้งหลายครั้งที่เราเองใช้เวลากับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองจนลืมไปว่าเรามีที่ปรึกษามหาศาจรย์ของเราอยู่วิดีโอสำเร็จไหมครับ <c oughs> ไม่สำเร็จเราจินตนาการตามที่ผมเล่านะครับแล้วเราจะเหมือนกับว่าเราได้รับทราบได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับ ประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะชวนให้พวกเราช่วยกันคิดตามนอกเหนือจากการที่เวลาเรามีปัญหาแล้วเราได้เคยปรึกษาพระเยซูของเราบ้างไหมก็คือเมื่อเราปรึกษาแล้วเราเชื่อฟังหรือเปล่าในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง ผมมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าในคืนวันหนึ่งเขาออกไปจับจ่ายหาซื้อของขวัญและอาหารเพื่อต้อนรับเพื่อนที่จะมาเยี่ยมในช่วงคริสต์มาสรถบนถนนลาดพร้าวแสดงว่าคนไทยนะครับติดพอสมควรขณะที่จอติดไฟแดงอยู่แถวแถวแยกภาวนานะเรื่องราวนี้ใกล้ตัวเรามากจู่จูลรถก็ดับซึ่งเป็นปกติของการที่เขาจูนเครื่องไว้อ่อน เพื่อการประหยัดน้ามันแต่รอบนี้พอมันดับแล้วมันสตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็ไม่ได้นอกจากจะเข็นหลบเข้าข้างทางขอบคุณพระเจ้าที่พอผมลงจากรถก็มีคนกลูกันเข้ามาสามสี่คนบอกว่าช่วยกันเอารบหลบข้างทางก่อนพวกเขาช่วยผมเข็นรถในขณะที่ผมพยายามบังคับพงมาลาย mm hmm. เมื่อเข้าไปจอดข้างทางจึงเห็นว่าเป็นชายสามคนคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคนนึงเป็นรถเก๋งและรถ MPV ซึ่ง จอดอยู่บนเลนกลางรถสองคันเคลื่อนเข้ามาประกบหน้าหลังคนนึงก็เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมตอบว่าชายคนนี้เขาตอบว่ามันสตาร์ทไม่ติดเหมือนกับว่าแบตเตอรี่หมดหรืออาจจะเป็นจากไดชาร์จไม่ทำงานเขากลับมาพร้อมด้วยสายพ่วงแบตเตอรี่เส้นใหญ่และบอกว่าให้รถอีกคันหนึ่งนั้นเข้ามาจอดเคียงกันเพื่อที่จะจัมแบตเตอรี่ นะครับถ้าพวกเราเคยจั ม, มแบตเตอรี่เราจะรู้ว่าก็เนี่ยครับเป็นวิธีการที่ทำไม่ยากนะักเมื่อจั ม, มแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยชายคนนั้นก็ยังบอกถูกกำชับว่าให้เร่งคันเร่งไว้มากๆขณะติดไฟแดงนะครับเพราะว่าเครื่องจูนไว้อ่อนถ้าไม่เร่งเดี๋ยวอาจจะดับได้พอขอบคุณพวกเขาเสร็จชายคนนี้ก็เคลื่อนตัวรถออกไปนะครับ เขาพบว่าพอเวลาที่เขาเร่งเครื่องเขาจะได้ยินเสียงดังแครกๆเห็นควันและได้ยินกลิ่นไหม้ได้กลิ่นไหม้อ่อนๆเข้มความร้อนก็เป็นปกติดีรถเขาบอกว่ารถก็ไปได้ไม่เกิน200อเมตรในการจราจรที่ติดขัดทําให้ต้องเหยียบเบรกแล้วก็ชะลอบ่อยๆนะครับจนในที่สุดเขาตัดสินใจเข็นรถเข้าไปในลานจอดรถของบริษัทริมคลองราดเท้าวรถที่จอดที่ขับกันนานไม่สักครู่เขาแต็มตามกันมาอยู่เพราะมันติดติดอยู่ ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยชายคนนี้เข็นรถขึ้นเนินนะครับเอาไฟชายมาส่องเพราะเพราะว่าเจ้าของรถบ่นว่ามันมีกลิ่นเหม็นไหม้หลังจากพูดคุยตรวจสอบสภาพก็เลยสรุปว่าจอดทิ้งไว้ที่นี่ดีกว่าก็ย้ายสัมภาระขึ้นแท็กซี่กลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นเข้าไปที่รถทดลองสตาร์ทรถปุ๊บเป็นไงครับมันติดอย่างง่ายดายเขาก็ดีใจและคิดว่าจะนารถกลับบ้านเลยแต่อะไรสักอย่างทาให้เขา ลงไปเปิดหม้อน้ำดูปรากฏว่าหม้อน้ำแห้งถังพักน้ำก็แห้งจึงไปขอน้ำที่บริษัทนั้นมาเติมครึ่งถังก็ยังไม่เต็มต้องไปขอมาอีกครึ่งถังจึงจะเต็มขณะที่ขับรถกลับบ้านก็เลยฉุกใจคิดว่าอาการดับกลางถนนอาจจะไม่ได้มาจากแบตเตอรี่แต่อาจจะเกิดจากหม้อน้ำแหง้งก็เลยวิ่งเข้าไปที่อู่ประจาแถววัชรพล ชายคนนี้บอกให้เขาเช็คแบตเตอรี่และไดชาร์จเพราะเครื่องสตาร์ทไม่ติดช่างตรวจอยู่พัคใหญ่บอกว่าปกติดีแล้วยิงคําถามกลับมาว่าพี่ปล่อยให้หม้อน้ําแห้งหรือเปล่าชายคนนี้ก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆเหมือนโดนครูจับได้นะครับอุตส่าห์ไม่บอกละช่างจับได้ช่างก็เลยถอดหม้อน้ําออกมาดูพบว่ามันรั่วไหลจุดแล้วเริ่มบ่นว่าเมื่อหกเดือนที่แล้วหม้อน้ํารถคันนี้แตกกลางทาง ชายคนนี้ได้โทรไปปรึกษาช่างเรื่องเปลี่ยนม้อน้ำช่างก็ได้บอกให้ชายคนนี้จอดรถทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้จะส่งม้อน้ำไปให้ที่อู่นะครับแต่เขาปฏิเสธความปรารถนาดีเพราะอยากเอารถกลับบ้านเลยแล้วในสามถึงหกเดือนมานี้ก็ไม่ได้ทำการเปลี่ยนหรือซ่อมอะไรเลยพบว่าจึงทำให้ตะเข็บที่ซ่อมไว้ตั้งแต่เดิมนะครับ มันเริ่มเสียหายหนักขึ้นชายคนนี้ได้รับบทเรียนใหม่คือการเชื่อฟังเพราะเขาเห็นช่างคนนี้เป็นที่ปรึกษาช่างแนะนำว่าควรทำอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเขาคิดว่าหม้อน้ำก็คือหม้อน้ำหม้อน้ำทองเหลืองละพาแพงย่อมจะดีกว่าอยู่แล้วในการที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนอะไรกันมากมายนะครับอ่ก็มันยังใช้ได้ก็น่าจะใช้ไปก่อนนะครับสุดท้ายหม้อน้าที่เขาเพิ่งเปลี่ยน เมื่อหเดือนที่แล้วจึงมีอายุแค่หเดือนเรื่องนี้บอกอะไรกับเราครับบอกกับเราว่าเมื่อเราหันมาดูจิตวิญญาณของเราบางครั้งก็ไม่ต่างจากเรื่องนี้มีเรื่องราวมากมายที่เราปฏิเสธและแยกพระเจ้าออกจากชีวิตประจําวันเราปรึกษาพระเจ้าแต่เรื่องบางเรื่องเราบอกว่าเราขอตัดสินใจเอง การงานของเราบางครั้งไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจเพราะเราบอกว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่ใช่นักธุรกิจเรื่องต่างๆในครัวเรือนบางครั้งเราบอกว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวเพราะพระองค์เป็นโสดหรือเปล่าเราจัดการและแก้ไขวิธีต่างๆ ต, ตามวิธีของเราเองบางครั้งลูกติดอินเทอร์เน็ตติดยาเราก็ไม่ได้ปรึกษาพระเจ้า หรือปรึกษาแล้วก็ไม่เชื่อฟังเพราะเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในยุคดิจิตอลหรือเปล่าครับบางครั้งเราใช้หลายหลักการบางเรื่องเราตัดสินใจด้วยตัวเองบางเรื่องเราบอกว่าเราอยากจะปรึกษาที่ปรึกษามาสจัน่นเมื่อกลับมาคิดดูนะครับผมอยากท้าชวนกับพวกเราว่าที่ปรึกษามาสจั่์ อยู่กับเราตลอดเวลาเราปรึกษาพระองค์ไหมและเราเชื่อฟังพระองค์ไหมอีกประเด็นหนึ่งสำหรับที่ปรึกษามหาศจั์คือว่าบางครั้งผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ได้ปรึกษาที่ปรึกษามหัศจั์อย่างตั้งอกตั้งใจนักเพราะเหตุว่าบางครั้งเราเองไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้า หรือเราไม่ได้มีความมั่นใจว่าพระเยซูอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่กับเราแล้วก็ช่วยเราได้นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วมีชายคนนึงเขาไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นครั้งแรกด้วยความที่เขาเป็นคนใจร้อนเพื่อนคนไทยก็สอนว่าถ้าเกิดอะไรที่รู้สึกไม่ดีและไม่ปลอดภัยนะครับให้นับหนึ่งสองสาม นะครับแล้วค่อยๆ ค, คิดค่อยๆแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคนนี้มาถึงสิงคโปร์วันแรกเขาก็ต้องขึ้นรถเมย์รถเมย์ที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่หลายหรุ่นจะเป็นรถเมย์สองชั้นพอเขาเข้าไปปึ๊บเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาด้วยความที่ตื่นเต้นเมืองไทยไม่มีเขาไปขึ้นที่อยู่ที่ไหนครับขึ้นชั้นสองเลยเขาขึ้นไปชั้นสองสักพักหนึ่งสีหน้าเริ่มไม่ดีสักพักเขาหนึ่งสอง แต่ยังไม่ทันนับสามด้วยความที่เป็นกังวลเขาก็เลยเดินกลับลงมาแล้วพอเดินลงมาเสร็จเขาก็มายืนอยู่ ข, ข้างคนขับเขาก็เริ่มยิ้มแย้มมีความสุขมากขึ้นคนขับก็เลยสงสัยแล้วถามว่าทำไมต้องมายืนตรงนี้ที่นั่งชั้นสองก็มีเยอะแย ะ, ะคือที่นั่งข้างล่างมันเต็มชั้นสองก็มีเยอะแยะนะครับชายคนนี้หันมายิ้มแล้วบอกว่าข้างบนมีที่นั่งแต่ข้างบนไม่มีคนขับนะครับไม่ขับบ้างเลยครับ มันอาจจะขัาไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นข้างบนมันมีที่นั่งครับแต่ข้างบนไม่มีคนขับบางครั้งเราเองไม่ไว้วางใจในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะครับเราไม่ไว้วางใจว่ามันจะสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้เพียงเพราะว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์นะครับ จริงๆคนขับอยู่ข้างล่างรถเมยก็ยังไปนะครับเหมือนกับที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาแต่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่กับเราและไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่ได้ทรงนาในชีวิตของเราเพราะนั้นผมท้าชวนพี่น้องนะครับถ้าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นสิ่งที่เราต้องสแสวงหาการมีประสบการณ์กับพระองค์ ผมก็คิดอยู่ว่าเรื่องนี้ผมจะเล่าดีไหมแต่ว่าก็ขออนุญาตเล่าให้พี่น้องฟังคือผมเองก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าอยู่ในหน่วยงานคริสเตียนนะครับหลายๆคนรู้จักชื่อ YFC นะครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานกับเยาวชนในการเข้าไปรับผิดชอบอยู่ในนี้นะครับก็ก็อันนี้คือต้องบอกว่าโดยพระเจ้านะครับก็โดยการทรงนำของ ข, ของพระเจ้า ผมก็ตัดสินใจว่ า, าผมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจา ก, จากองค์กรมีวันหนึ่งเห็นผมอย่างนี้นะครับมีวันหนึ่งผมจำได้ว่าประมาณปีที่สที่สี่ปีที่สองที่สามที่รับใช้พระเจ้าอยู่พอถึงสิ้นปีเดือนธันวาคมแบบนี้ ผมมีบินที่จะต้องจ่ายเป็นจำนวนมากจำนวนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้คนที่จะจำได้มีแต่ภรรยาผมนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายนึกไม่ออกจริงๆนะครับก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมที่ออฟฟิศเยี่ยมเสร็จหลังจากพูดคุยกันสักพักพี่ท่านนี้ก็ส่งซองจดหมายซองหนึ่ง ที่มีเงินอยู่ในนั้นหนาพอสมควรผมก็เข้าใจว่าเป็นเงินถวายที่จะเอามาให้สำหรับองค์กรผมก็บอกพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการเคลียร์กับฝ่ายการเงินให้เพื่อที่จะได้รับใบเสร็จกลับมาพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรขององค์กรเขาจ่ายเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วสำหรับเงินถวายอันนี้พี่ๆหลายคนรวบรวมมาเพื่อที่จะมาให้ เป็นกำลังใจผมก็ตกใจผมบอกโอ้โหไม่ได้ละครับมันค่อนข้างเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรพี่เขาก็ขยันขยอบอกว่าพี่ๆรวบรวมมาเอาเถอะนะนะครับก็สุดท้ายผมก็รับไว้ด้วยความขอบคุณขอบคุณพระเจ้าพอถึงเวลาเอาไปจ่ายบินทั้งหมดที่มีอยู่ปีใหม่นั้นผมเหลือเงิน กันในบ้าน3000บาทเป็นประสบการณ์หนึ่งในอีกมากมายของประสบการณ์ที่บอกว่าพระเจ้าไม่เคยสายแล่พระเจ้าก็เป็นจริงในชีวิตเราตลอดเวลาพระเจ้าไม่เคยช้าแล้วก็มันก็ทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับ ต่อให้ใครจะมาบอกว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงพระเจ้าช่วยได้หรือช่วยไม่ได้พระเจ้าทำอะไรได้ในชีวิตของเราเราก็ยังจะมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผมท้าชวนพี่น้องครับการรู้จักพระเจ้าการรู้จักพระเยซูคริสต์ในคริสต์มาสนี้ที่เป็นแค่เรื่องราวของพระองค์ไม่เพียงพอในชีวิตของเรา การมีประสบการณ์ชีวิตกับพระองค์เป็นเรื่องสําคัญพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในเวลานี้ที่เราเองจะสามารถอธิษฐานคูนขอการทรงนําจากพระองค์ได้พระองค์เป็นที่ปรึกษาอัศจรรย์อย่าลืมที่จะปรึกษาพระองค์ปรึกษาแล้วอย่าลืมที่จะเชื่อฟังและที่สําคัญเราต้องมั่นใจในการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์อีกพลักษณะหนึ่ง เมื่อดูเวลาแล้วอีกพรลักษณะหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิแ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิเดชอย่างไม่จำกัดเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์มากทรงกระทาได้ทุกสิ่งโดยไม่ถูกจำกัดโดยสิ่งใดคราวนี้มันมีรูปให้ผมดูไหมครับไปที่รูปเลยก็ได้ครับรูปน้าตกไม่มีเช่นกัน นะครับคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่เคยไว้ใจได้เวลาเราทดลองมันจะใช้ได้ครับเวลาพรีเซนต์มันจะไม่มาคิดตามผมเหมือนเดิมมีน้ำตกใหญ่ๆมากๆชื่อน้ำตกอีกัวซูไม่ใช่ทีอรอซูนะครับทีอรอซูอยู่จังหวัดตากน้ำตกอีกัวซูอยู่ยประเทศบราซิลมันอยู่ที่พรมแดนระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่น่าทึ่งมากเพราะว่ามันประกอบด้วยน้ำตกขนาดเล็ก275สายเรียงรายไปตามแม่น้ำอิกวัวสูยาว 2.7 กิโล น, น้ำตกที่ฝั่งประเทศบราซิลเนี่ยมันมีกำแพงอยู่และเขาสลักข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่93ข้อสจารึกใจความบอกว่าพระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิธิริทยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลายทรงมหิธิริทยิ่งกว่าคลื่นทะเล และใต้ข้อพระคัมภีร์ที่กำแพงนั้นมีข้อความบอกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาของเราผู้ที่เขียนพระธรรมสดุดีบทที่เกสบสามเขียนในตอนที่ประเทศต่างๆปกครองด้วยกษัตริย์ท่านตรหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงท่านเขียนว่าพระเจ้าทรงครอบครอง พระที่นั่งของพระองค์ได้ทรงสถาไปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดำบรรพพระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การไม่ว่ากระแสน้ำหรือคลื่นจะรุนแรงเพียงใดพระเจ้ายังคงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงเรามั่นใจไหมครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระเจ้าผู้อยู่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาของเราถ้าเรามีโอกาสได้ไปอยู่ที่น้าตกใหญ่ๆเราจะพบว่าน้าตกเสียงมันดูยิ่งใหญ่มาก แต่เราคงไม่รู้สึกชิดดีอย่างนั้นถ้าเผื่อเราถูกน้ําพัดตกลงไปเบื้องล่างเราอาจจะกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างทุกวันนี้ไม่ว่าบางคนเจอปัญหาสุขภาพนะครับพูดถึงเรื่องนี้ผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งวันนี้ผมได้เจอพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับนะครับคุณสมยศท่านประสบ ป, ปัญหาอุบัติเหตุนะครับแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยก็ยังร่างกายท่อนล่างเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับผมได้เคยไปเยี่ยมท่านที่บ้านนะครับปรากฏว่าเรานี่ตั้งใจจะไปนหนุนใจท่านแต่เราพบว่าความเชื่อมั่นคงความเข้มแข็งของท่านหนุนใจเราท่านไม่ท้อถอยแม้แต่นิดเดียวและพูดขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคเดียวกันเป็นพยานกับเราว่าพระเจ้าทรงช่วยพระเจ้าทรงดูแลในทุกๆอย่าง ผมแทรกเรื่องนี้เพราะว่าวันคริสต์มาสนมสการวันที่24คือวันเสาร์ข้างหน้านี้นะครับคุณสมยศก็จะมานามัสการที่โบสถ์อีกท่านยังต้องมาด้วยรถเข็นยังไม่สะดวกนักด้วยซ้ำในการที่จะเคลื่อนตัวเองจากรถลงมาสู่รถเข็นจากรถเข็นไปสู่รถนะครับแต่วันเสาร์หน้าคุณสมยศจะมานามัสการพระเจ้ากับเรานะครับแล้วก็จะมาเป็นพยานให้ฟังถึงพระคุณพระเจ้าในชีวิต ท้าชวนอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับเรามาเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกันแล้วมาฟังคําพยานของคุณสมยศ ด, ด้วยกันในบันเสาร์หน้านะครับผมกลับมาที่หลายๆคนเจอปัญหาสุขภาพบางคนเจอปัญหาการเงินบางคนเจอปัญหาการทํางานบางคนเจอปัญหามากมายจนเรารู้สึกว่ากเรากําลังจะล่วงหล่นตกลงไปในน้ําตกข้างล่างนั้นในสถานการณ์นี้ อย่าให้เราลืมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าน้ำตกพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าน้ําใดๆพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าคลื่นทะเลและพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษ า, าสุดอัจฉริยะเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระธรรม มาระโกบทที่ส0บข้อยีดย้ำเราบอกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งนอกจากการเป็นที่ปรึกษาหัศจรรย์และพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พราะเจ้านักของพระเจ้าตอนนี้บอกเราด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร พระบิดานิรันมีความหมายว่าอย่างไงครับพระบิดานิรันต์สะท้อนภาพสองภาพภาพแรกคือความสัมพันธ์ความรักที่ลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูกขอบคุณพระเจ้าที่ในความเชื่อของคริสเตียนการทรงนำของพระเจ้าทำให้เราเองมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราไม่เพนเพียงพระเจ้าที่ ทรงิทธิฤทธิ์เป็นพระเจ้าที่ใช้ฤทธิเดชแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและการดูแลขณะเดียวกันพระบิดานิรันด์บ่งบอกสะท้อนถึงความยั่งยืนที่ไม่มีเงื่อนไข ข, ของการเวลาไม่มีเงื่อนไขว่าจะมีวันที่จะเลิกราไปไม่มี Expire ปายนะครับไม่มีหมดอายุเมื่อเรารับพระเยซูปเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดเราเองกลายเป็นลูกของพระเจ้าสูงสุด และเราก็มีพระเจ้าพระบิดา น, นิรันทันทีคาว่า น, นิรันต์ให้เรานึกถึงดีๆนะครับมันหมายถึงมีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการเวลาพระเจ้าก็ทรงอยู่ตรงนั้นแล้วและพระเจ้าทรงรอที่จะให้เรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเราเป็นลูกของพระองค์คนที่เคยเป็นพ่อจะพบว่าเขารอเวลาที่ลูกจะคลอดมาแล้วตื่นเต้นมากนะครับตอนที่ลูกสาวคนแรก ผมคลอดผมก็ตื่นเต้นและลุ้นแต่วงเล็บตอนนั้นผมไม่ได้ลุ้นลูกสาวเพราะว่าคุณหมอคุณหมอสูตินารีที่ทที่ดูแลภรรยาผมตั้งแต่แรกเนี่ยพูดมาตลอดว่าลูกเธอเป็นลูกชายคือคือผมไม่ได้อุจจารสาวนะครับผมไม่ได้ทำอุจจารสาวเพราะว่าไม่ว่าจะชายหรือหญิงเราขอบคุณพระเจ้า แต่คุณหมอจัดการให้เสร็จคือไม่ได้บอกแล้วก็พยายามจะบอกเราว่าลูกเป็นผู้ชายคําแรกที่บอกภรรยาผมเขาบอกเฮ้ยลูกเธอเป็นผู้หญิงะ่ะด้วยเสียงแตกตื่นและตกใจส่วนผมเองก็มีความแตกตื่นและตกใจเล็กน้อยเมื่อพยาบาลเดินออกมาแล้วบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงคือผมมพีพี่น้องผู้ชายสี่คนเกิดมาก็ดูแล กันมาก็ผู้ชายสี่คนพอบอกว่ามีลูกผู้หญิงผมนึกไม่ออกผมจะเลี้ยงยังไงผมจะดูแลยังไงแต่มันเป็นความตื่นเต้นและดีใจนะครับพระบิดาพระเจ้าของเราก็เช่นกันพระองค์รอวันที่เราเองจะยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ไม่ว่าพ่อในโลกของเราเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าของเราเป็นยิ่งกว่านั้นเพราะพระ อ, องค์เป็นพ่อที่ดีรอบคอบและพระ อ, องค์สมบูรณ์แบบและพระ อ, องค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันด์มันเป็นเรื่องน่ายินดีขนาดไหนที่เราเองมีพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักเราและทรงตรัสบอกว่าจะนําทางเรานะครับจะสําเดงพละลักษณะของพระ อ, องค์ในชีวิตของเราและเป็นพ่อของเราตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอด นิรันการพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอบคุณพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่68ดข้อห้าบอกว่าพระเจ้าทรงประทับพระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคนกัมพาระและทรงปกป้องหญิงไม้ขณะเดียวกันพระธรรมอิสยาบทที่หกบสี่ข้อแปบอกว่า ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์และข้อที่ยืนยันกับเรานะครับเป็นข้อที่ผมมักจะบอกกับผู้เชื่อใหม่เสมอคือพระรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อ12บอบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าโอ้มันเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับยินดีที่เราเองได้รับสิทธิ์ของการเป็นบุตรของพระเจ้าพลักษณะของพระเยซูคริสต์ก็ถูกทานายไว้นะครับโดยผู้พยากรณ์ตั้งแต่ก่อนพระองค์จะมาบังเกิดว่าพระองค์มีสหภาพเป็นพระบิดานิรันดร์สาหรับเราและสุดท้ายองค์สันติราช แปลว่าผู้ที่ให้ความสุขอย่างไม่มีข้อจำกัดเพราะเจน้ะของพระเจ้าบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอยากกลัวเลยสันติสุขเป็นสิ่งที่ใครๆก็เรียกร้องสแสวงหาแล้วอยากได้นะครับตอนที่ประเทศไต้หวันมีการเลือกตั้งใหม่เขาบอกว่า ประธานาธานาิบดีเฉินฉุยเปียงสมัยนั้นนะครับพ่ายแพ้การเลือกตั้งสาเหตุหลักเป็นเพราะเขามีนโยบายที่จะปลดปล่อยประเทศออกจากจีนตอนนั้นเขามีนโยบายปลดปล่อยไต้หวันออกจากจีนทําให้เขาคิดว่าคงจะเป็นเหตุที่ทําให้คนไต้หวันดีใจกลับกันครับคนไต้หวันไม่กล้าเลือกเขาเพราะประชาชนบอกว่าต้องการสันติภาพมากกว่าต้องการเอกราช เป็นที่ชัดเจนว่าโลกต้องการสันติภาพโลกต้องการความสุขความร่มเย็นโดยเฉพาะชีวิตที่ไม่มีสงครามไม่มีความอดอยากมีแต่ความชื่นชมยินดีแต่สมัยนี้โลกทุกวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปอื่นไกลปักใต้บ้านเราฆ่ากันตายทุกวันแม้กระทั่งวันที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ไม่มีข่าวนะครับแต่ถ้าเราไปถามคนที่นั่นเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ปกตินะครับแล้วก็ระเบิด มีอยู่ทุกวันนะครับมีจนช่างภาพถ่ายไม่ทันเพราะฉะนั้นบางวันเราจึงไม่ได้ข่าวนะครับแม้กระทั่งมีอดีตนายกของเราท่านหนึ่งใช้วิธีระดมพลั ง, ลงใจของชาวไทยพับนกไปโปรยมากมายนะครับนกที่โปรยก็ไม่ได้สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยสแสวงหาสันติภาพด้วยวิธีของตัวเองด้วยความพยายามจากภายนอกหรือความพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างให้เกิด บางคนก็คิดว่าถ้าเรามีเศรษฐกิจที่ดีเราก็น่าจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งเนี่ยปี 2,504 จนถึงปัจจุบันผมขออนุญาตไม่วิจารณ์เดี๋ยวจะถูกปรับทัศนคติแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับจนกระทั่งมันมีการตั้งกระทรวงเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์แต่ก็ยังผิดหวังเพราะคนเราก็มัวเมากับวัตถุแก่งแย่งค่าฟันแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกัน บ, บางคนคิดว่าวิทยาการความรู้เป็นความเป็นทางออกฉะนั้นประเทศที่มีความรู้มากๆการศึกษาดีๆน่าจะเป็นทางออกที่เป็นประเทศที่มีสันติสุขประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างครับเป็นประเทศที่มีความรู้และเป็นวิทยาการมากมายและก็เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดนะครับคือสี่สิบวินาทีละหนึ่งคนนะครับทุกสี่สิบวินาทีมีหนึ่งคนเพราะจริงๆแล้ว เขาไม่มีสันติสุขแท้เช่นเดียวกันเราไม่อาจจะสร้างสันติสุขบนโลกใบนี้ด้วยส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศหรือแม้แต่องค์การสหรประชาชาติเพราะว่าขนาดประเทศหาอํานาจยังฝ่าฝืนมติสหรประชาชาติและก่อสงครามนั่นเลยไม่มีทางที่โลกจะหาสันติสุขและก็สันติภาพได้จากสภาพภายนอกถ้าอย่างนั้นเราจะหาสันติสุขได้อย่างไหนครับเราหาสันติสุขได้จากภายใน เพราะว่าภายในจิตวิญญาณเราขอบคุณพระเจ้าที่ 2,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบังเกิดบนโลกเพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนรอดจากความผิดบาปเพราะบาปเป็นสาเหตุพื้นฐานของการไม่มีสันติภาพหรือไม่มีสันติสุขขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ถูกขนานนามว่าองค์สันติราชเพราะพระองค์เป็นองค์สันติราช เรื่องพีบอกเราบอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาบังเกิดนั้นทรงเป็นองค์สันติราชและการปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุดนะครับบันทึกอยู่ในข้อเจดต่อจากที่เราอ่านกันองค์สันติราชคือพระราชาถ้าแปลจากตรงตัวก็คือสันติราชาคือพระราชาแห่งสันติเป็นผู้นําสันติสุขการยกโทษและการคืนดีมาสู่ชีวิตของเรา ผมเชื่อว่าสันติสุขในพระเยซูคริสต์เป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนที่โลกให้เป็นสันติสุขที่เราสัมผัสได้ภายในจิตใจแต่เมื่อเราสัมผัสสันติสุขเหล่านี้แล้วนะครับคริสต์มาสกาลังจะเข้ามาถึงอยากให้เราได้เฉวยโอกาสที่จะใช้โอกาสนี้ที่ใครๆก็สนใจกับคริสต์มาสใครๆก็สนใจกับเทศกาลของขวัญ เทศกาลชื่นชมยินดีเทศกาลเฉลิมฉลองอย่าลืมบอกให้เขารู้ถึงสันติสุขที่มาทางพระเยซูคริสต์คริสต์มาสเป็นโอกาสดีที่เราจะเป็นพยานนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเราจะมีาการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับเราจะมีการนามัสการภายในพระวิหาร รเราเริ่มทานอาหารกันตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วประมาณทุ่มหนึ่งเราจะเข้ามาในพระวิหารนะครับให้เร า, ม, ามีโอกาสได้มาเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวของคริสต์มาสรวมถึงฉวยโอกาสนี้ชวนเพื่อนฝูงของเราที่เขาอาจจะยังไม่มีที่ปรึกษามาศจรรั์เขายังไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงหมหิทธิฤทธิเขายังไม่ได้รับความรักของพระบิดานิรันและเขายังไม่มีสันติสุข ในชีวิตอย่างแท้จริงให้มีโอกาสได้รู้จักรพระเยซูคริสต์องนี้ด้วยกันนะครับเขาเราร่วมใจอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สหรับพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งและเราขอพระเจ้าทรงนำเราที่เราจะไม่เก็บความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์เอาไว้ในชีวิตของเราเท่านั้นแต่เราจะให้ความชื่นชมยินดีนี้ไปยังคนรอบข้างเราที่เขาจะรู้จัก และจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสเพื่อที่เขาจะมีสันทิสุขอยู่ในองค์พระเยสุคริสต์นิรันด์ข้าแต่พระเจ้าเราอาธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ขอพระคุณในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอาเมน